สามสิบสามทุกขสัจจะทุกขเวทนาทุกขลักษณะวงเล็บเปิดเก้ามกราคมสองพันห้า้อยห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีเจ็ดปิดวงเล็บกายนี้ใจนี้เคลื่อนไหวไปสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างมันเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของธาตุเรื่องของขันไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าเมื่อดเราหลงยินดียินร้ายอย่างความโกรธเกิดอยากให้หายพออยากให้หายใจจะดิน้นจะดิ้นรนขึ้นมาทำงานพอใจดิ้นรนทำงานความทุกข์เกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความทุกข์ที่เกิดจากตัณหานี่ยังไม่ใช่ทุกขัสัตว์จนะคนละอันกันเมื่อก่อนเราคิดว่าอริยสัจเนี่ยทุกก็ทุกนั่นแหละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ เห็นให้เกิดทุกตัวนั้นไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกขสัตว์จะตรงตัวแต่โดยนัยยะทั้งหมดก็คือทุกขสัตว์นั่นแหละเพราะตัณหาก็ทำให้สร้างภพไปยึดรูปยึดนามแต่ทุกอีกตัวหนึ่งก็คือทุกที่ซ้ำซ้อนขึ้นในใจตัวนี้ทันทีที่เกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นจริงๆแล้วทุกทั้งหมดก็อยู่ในทุกขสัต์นั่นแหละเว้นแต่ทุกขลักษณะ ฉะนั้นไม่ต้องไปปนกันนะระหว่างทุกขลักษณะกับทุกขัสจจะบางคนคิดว่าเห็นทุกขลักษณะคือทุกขัสจจะคนระเรองกันแล้วก็ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขัสจจะไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเนื่องด้วยกายด้วยใจนี่เองตัวกายตัวใจนั่นแหละเป็นตัวทุกถึงจะเรียกว่าทุกขัจจะธรรมะประณีตนะลึกซึ้งต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไป